บทภาชนีติกาปาจิตตีสองร้อยแมาตุคามพิกษุสําคัญว่าเป็นมาตุคามนั่งบนอัศนะที่กําบังในที่ลับต้องอบัตติปาจิตตีมาตุคามภิสูุนไม่แน่ใจนั่งบนอัศนะที่กําบังในที่ลับต้องอบัตตปาจิตตีมาตุคามภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่มาตุคามนั่งบนอัศนะที่กําบังในที่ลับต้องอบัตตปาจิตตีติกาทุกกฎพิสูจนั่งบนอัสนะที่กําบังในที่ลับกับนางยักษ์ นางเปรตบันดอหรือสัตดิรชานมีกายเป็นมนุษย์ผู้หญิงต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุสำคัญว่าเป็นมาตุคามต้องอบัตทุกกดไม่ใช่มาตุคามภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกดไม่ใช่มาตุคามภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่มาตุคามไม่ต้องอบัต